อันนั้นรู้แล้วว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ยากเย็ ken. นแสนเข็ญในถ้าจะเป็นท่าปเจกกับพุทธเจ้าฟังรู้แล้วโอ้ยใจถอดเลยเ อ, เอาพระเจ ก, กได้ไหมนั่นเ น, นี่นะเอา้าถ้าจะเป็นพระประเจกนะถามว่าการตั้งความปรารถนาะเป็นพระปเจกกับพุทธเจ้าควรนานเท่าไหร่ตอบว่าการตั้งความปรารถนาะเป็นพระปเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานถึงสองอสงไขยและเศษแสนกับต่ำกว่านั้นไม่สมควร ไม่ไม่ใช่ว่าสองอสงไขยแสนกลับแล้วเปนลูกเพลเลยไม่ใช่นะหมายคาว่าในระหว่างนี้แต่ไม่เกินสามอสงไขยเนี่ยท้ายนี่ไอเจอสงไขยนี่ไม่แน่นะก็ดูแล้วกันแล้วแต่ถ้าไปทําพลาดมัวแต่ไปทำะทะเลาะกับพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระเทวทัตนี่ก็นานหน่อยอย่างเงี้ยนะพระเทวทัตนี่ท่านสั่งสมบุญมาแล้วสองอสงไขยแสนกลับนะเพียงแต่ว่าแหมมาจิตตั้งจิตไว้ผิดเป็นคู่เวรกับพระพุทธเจ้าเลยดึงเกมให้มันช้าลงไปเรื่อยอยเงี้ยนะ เรกว่าเกือบจะบรรลุอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ดีไปคบพระพุทธไปเป็นศัตรูกับบัณฑิตก็เลยได้ดีเลยถ้าไปไปเป็นศัตรูกับคนอื่นนี่จบอีกพึงทราบเหตุในการตั้งความปรารถนาเป็นพระประเจกับพะพุทธเจ้าโดยในย่าที่กล่าวแล้วบทก่อนคือผู้ใดปรารถนาเป็นพระประเจกับพะพุทธเจ้าต้องใช้เวลาประมาณเท่านี้คือไม่ต่ำกว่าสองอสงไขยแสนกับแต่ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่ามัน ไม่เกินนะเกินอาจจะเกินเป็นหนึ่งสงองใครล้านกลับหรือว่าหมื่นล้านกลับแสนล้านกลับอะไรก็ว่ากันไป น, นะนะผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกต้องปรารถนาสมบัติ5ประการก่อนในการตั้งความปรารถนาจึงจะสําเร็จเรียกว่านับหนึ่งตั้งไงเมื่อไหร่นับหนึ่งต่อเมื่อสร้างสมบัติหประการให้ตัวเองได้สําเร็จ จึงจะเริ่มนับหนึ่งหนึ่งต้องเป็นมนุษย์สองต้องเป็นผู้ชายสามเห็นท่ารหันคือผู้ปราศจากอาสวะสี่มีอธิการทำบุญพุทธบูชาหรือสังฆบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีฉันทะในการตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าขอไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรกนั่เบือเ่อแล้วเกินทักพวกว่าทะเลาะคุคยกัรู้เรื่อง บอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังไปคนเดียวก็ได้เห็นต้องพาใครไปเลยนะไปคนเดียวก็ได้เหมือนกนก็เลยเป็นพวกเดียวดายเลยนี้เอ้าไม่เดียวดายนะเหมือนถามว่าการปรารถนาเป็นพระสาวกทั้งหลายควรนานเท่าไหร่โอ้ยนานเหลือเกินตังสองอสงไขยใจถอดแล้วเอาถึงสาวกก็ได้สาวกก็มีหลายกลุ่มนะสาวกอะไรสูงสุดอัคารสาวก มหาสาวกหรืออสีติสาวกแล้วก็ปกติสาวกสาวกปกติเนี่ยนะไล่ไปไล่มาเนี่ยนะดูท่าจะเหลืออะไรก็ไม่รู้คล้ายๆว่าไปไป ท, ท, ท, ที่ที่ตลาดใช่ไหมไปเห็นนะดอูอันนี้น่าสนใจมากไปเห็นราคาวับใจถอดเลยนะอันนี้อีกแล้ก็ลดๆล ด, ลดไปเรื่อยก็เลยได้ไหมจิ้มฟันมาอันเดียว น, น, นี่มาดูว่าการตั้งความปรารถนาเป็นพระอัครสาวก ทั้งสองคือเช่นพภาษาริบุตรพระโมคขลานะเนี่ยนะควรจะต้องใช้เวลานานหนึ่งอสงไขยแสนกับอย่างพร ะ, พระสาษาริบุตรพระโมคขลานะเนี่ยตั้งันพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วส่วนการปรารถนาเช่นพระอสีติอสีติแปลว่า80อสีติมหาสาวกสาวกผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลเนี่ยแปท่าน 80สบท่านนั้นควรนานอย่างต่ําก็แสนกลับแม้แต่ปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าหรือเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าก็ต้องแสนกลับเหมือนกันต่ํากว่านั้นไม่สมควรนะกว่าจะได้เป็นอย่างพระราหุล น, นี่ก็แสนกลับนะจะได้เป็นแบบพระราหุลได้ หรือจะเป็นแบบพระนนก็ต้องแสนกลับจะเป็นพระเจ้าสุทโธทธนาก็แสนกลับจะเป็นพระนางมหามายาก็แสนกลับเนี่ยนะต่ำกว่านั้นไม่สมควรเพราะรายชื่อที่พบในพระไตรปิฎกือท่านอย่างน้อยท่านแสนกลับมาทั้งนั้นแหละนียนะอย่างนางวิสาขาเป็นต้นแสนกลับทั้งนั้นแหละของเรานี่ไม่พึ่งคิดได้สองวันเนี่ยนาจะขอเอาแบบท่านเราเนี่ยนะโอ้ยสนใจพิเศษแบบพระพาหิยะนะท่านบอกให้มันง่ายๆหน่อยไม่ได้เหรือวท่า้น ขอแต่แบบไง่ายแสดงว่าเกิดมาในสมัยกดรีโมทคอนโทรลมานานนะแล้วเราเคยได้อะไรแต่กดปุ่มหมดมาศึกษาธรรมะเรากดปุ่มได้ไหมปุ่มไหนล่ะปุ่มเงือกหรือปุ่มอะไรเน <c oughs> <c oughs> มีหลายขั้นเาทางธรรมะนี่เขาเรียกปุ่มไงเสียงนี่เกิดจากฐานกร น, นะโยมทยั้งมีฐานกรน้องเสียงแล้วแต่ปุ่มไหนออกเสียงอัไหมันจะออกเป็นตามเสียงนั้นนะ <c oughs> ทีนี้ถ้าเป็นสาวกนะ สาวกอภินิหารจะต้องตั้งความปรารถนาให้ได้สองอย่างก่อนคือ1เมียธิการทําบุญอย่างยิ่งแล้วก็ปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ที่จะเป็นพระสาวกถ้ามีองค์ประกอบสองประการนี้ก็สําเร็จแต่โดยทั่วๆไปแล้วเขาจะตั้งความปรารถนาอย่างนี้แทบเท้าพระพุทธเจ้าคือการที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งอะไรก็เอตัทคะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพอพระองค์แต่งตั้งแสดงว่ามีคนหนึ่งคนที่อยู่บริเวณนั้นนะอยากฟัง พอได้ฟังป้าจะได้ตั้งความปรารถนาอยากเป็นแบบนั้นบ้างพระองค์ก็พยากรณ์เมื่อพระองค์พยากรณ์ก็มีคนที่มาทําบุญและตั้งความปรารถนาแบบนั้นเนี่ยนะแต่ทั่วไปในพระไตรปิฎกไม่ค่อยจะเล่าให้ฟังทําไมคือหมายคําว่าก็เรือลําใหญ่ที่เรียกว่าหวักมือเรียกกันให้ขึ้นเรืออยู่แล้วแล้วก็บอกว่ามันมีอีกลําข้างหน้าอีกโออีกไม่รู้กี่หมื่นล้านปีจะมีอีกลําหนึ่งนะบอกก็รอทําไมก็ลํานี้เขาก็ที่นั่งกว่างตเต้ไปหมดทําไมไม่ไปเลยอ่างนั้นนะ ท่านในขพันธ์ได้ปยดกจึงจะไม่ค่อยชมเชยผู้ที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นสวะก็เหมือนกับว่าสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าองค์นั้นชื่นชมสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านจะข่านก็จ ะ, จะไม่ใช่ว่าท่านไม่ศรัทธาในสาวกองค์ ต, ต่อไปแต่ว่ามันอีกนานไหนที่เห็นเห็นอยู่ทําไมไม่ยกย่องอ่ะนะเหมือนกับว่าองค์มหากษัตริย์มีอยู่ทําไมไปยกย่องว่าที่อีกไม่อีกนานกว่าจะได้เป็นเนี่ยนะ ทำไมต้องไปคอยยกย่องกลุ่มว่าที่ไม่รู้กี่นานเท่าไหร่ใช่ ย, ยางก็แบบข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีแล้วทำไมต้องไปนับถือเด็กที่กำลังเบะเบาะแต่ว่าอนาคตระยะยาวได้เป็นแน่นอาทำไมมัวไปนับถือเบะเบาะอยู่ขนาดนั้นมันก็เลยชมคนที่สมควรชมไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็เลยไม่ค่อยพูดถึงคนที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแล้วก็มัวอะไรนะจะมัวรอทาไมน่นะ พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตลอดการตามประเภทที่กล่าวแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าอบรมธรร ม, มะหมดหนึ่งสองสาี่ห้าหเจด 1, ปด 4, 5, ้า 8, 9, บส30สจนกว่าระยะเวลาสีอสงไขแสนกลับจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะนับตั้งแต่วันวันวันไหนวันได้รับพุทธพยากร ทนชาติสุดท้ายเมื่อจะอุบัติในโลกที่เราเรียกว่าอีธาตธาตุโตโลเกอุปันโนเนี่ยนะคำนี้เมื่อพระองค์อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็จะอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์นะนะไม่เกินสองตระกูลนี้ถ้าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้สาสมตระกูลคือตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์หรือตระกูลคลริหะบดีคำว่าคริหนะบดีนั้นไล่ตั้งแต่ชาวนาขึ้นไปเรียกคริหะบดีหมดนี่ยนะ แม้ระทั่งชาวนาชาวสวนเนี่ยนะ ท, ที่เป็นเสรีชนอิสระชนเนี่ยนะเรียกครหาบดีหมดเนี่ยนะส่วนอัครสาวกทั้งหลายเกิดในสองตระกูลเท่านั้นคือกษัตริย์และพราหมณ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือสองตระกูลนี้พระพุทธเจ้าทั้งปวงย่อมไม่ทรงอุบัติในกับกําลังเสื่อมย่อมทรงอุบัติในกับที่กําลังเจริญเนี่ยนะหมายถาว่าเป็นกับที่เจริญอย่างเดียวจึงจะมีพระพุทธเจ้า พระปเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติในการในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหมายคาอว่าในกัปใดที่มีพระพุทธเจ้ากัปนั้นเนี่ยมีพระปเจกพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่บางกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีพระปัเจกพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเมื่อสามสบกัปที่แล้วเนี่ยนะเมื่อสาอกัปที่แล้วเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีพระปัเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกัปนั้นเนี่ที่พระอุบาลีเนี่ยไป ไปทะเลาะกับพระประเจกตัวเองก็เลยได้เป็นทาส ต, ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองด้วยสอนคนอื่นให้รู้ด้วยเนี่ยนะ ตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์กําหนดรู้ทุกข์ด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื yep ่นกําหนดรู้ทุกข์ด้วยพระองค์ละสมุทัยด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นละสมุทัยด้วยพระองค์ตรัสรู้นิโรธด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนผู้อื่นตรัสรู้นิโรธด้วยพระองค์เจริญมรรคด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเจริญอริยมรรคด้วยนะเจริญไตรสิกขาด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเจริญไตรสิกขาด้วยเน ส่วนท่าประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้อริยศาสตร์เองแต่ไม่อาจสอนให้คนอื่นรู้คือท่านแทงตลอดอัทธรสเท่านั้นไม่แทงตลอดธรรมรสคือหมายคือว่ารู้แต่อัตมุ่งใจความของอริยศาสตร์รู้แต่ไม่สามารถเอามาพูดได้บางคนบอกท่านน่าจะพูดได้รู้แล้วต้องพูดได้สิเอาฟังทำจบทําไมไม่เอาไปเทศน์ะอาจารก็น่าจะพูดได้แล้ก็นั่งฟังอยู่นี่ก็ฟังภาษาเดียวกันนะฟังจบก็น่าจะเอาไปเล่ากันต่อใช่ไหม อ้าวปวดจ้ ang, างว่างั้นทําไมจะพูดไม่ได้ไพูดได้สิมันเป็นภาษาไทยว่างั้นก็เหมือนกับเขามีโยมคนหนึงเขาบอกว่าเออเนี่ยก็เป็นเป็นฝรั่งฟังธรรมนะฝรั่งกับแม่บ้านเขาไปแม่บ้านคนไทยสายมีเป็นฝรั่งก็ไปฟังพระเทศก็บอกแม่บ้าก็เธอแปลให้ฟังหน่อยสิบอกฉันแปลไม่ได้เอก๊ก็เห็นพูดง่ายๆนี่ยก็ไม่เห็นจะแปลยากอะไรก็แปลให้ฟังหน่อยก็แล้วกันว่างั้นบอกทำไมคุณไม่เรียนภาษาไทยบ้ เรียนแต่ว่าแต่ว่าคนที่สอนต้องไม่ใช่คุณนะนะบอขอเรียนภาษาไทยอ่ะแต่ว่าต้องคนคนที่อาจเป็นอาจารย์ต้องไม่ใช่ภริยาเข้างั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภรรยาถ้าเป็นสั่งสอนสามีมากก็ไม่ค่อยฟังง่ายๆหรอกนะนะพูดหาจังหวะหาโอกาสให้ดีเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่าเลยนะสามีบอกคนที่สอนยากที่สุดก็คือภริยาภริยาก็สอนยากที่สุดก็คือสอนสามีนั่นแหละ สรุปว่าพระปเจคผู้ทธเจ้ารู้ได้แต่อัตถรสคือแทงตลอดอริยศาสตร์จริงแต่ว่าไม่สามารถมาบัญญัติได้มาบัญญัติเป็นขันธ์ัญญัติอัยตนะปัญญัติธาตุปัญญัติสัจจะบัญญัติอินทรียาบัญญัติเป็นเดๆนะปุขลาปัญญัติคือการที่จะมาแยกเป็นขันธ์อัยตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาทสตีประฐานสมมาประธานอิทธิบาทอินทรีพร ะ, ะพุทธชงเป็นพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมนี้ไม่ใช่วิสัยของ พระปเจกพระพุทธเจ้าเพราะพระปเจกพระพุทธเจ้าไม่มีอาสาธารณญาณหกเนี่ยนะไม่มีอาสาธารณญาณหกไม่มีทศพลญาณสิบที่จะมาเอ่อมามีอํานาจอย่างนี้ไม่มีเวสารัชญาณสี่แบบพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านจะทําได้ยังไงเนี่ยนะก็บางอย่างนี่ก็น่าจะทําได้ใช่ไหมแต่มันทําไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นท่านก็บอกว่าการบรรลุธรรมย่อมมีแก่พระปเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันที่คนใฝ่ฝัน อันนั้คนใบ้ในฝันหเห็นเรื่องดีเหลือเกินอยากจะเล่าแต่ก็เล่าว่าไงหรือเหมือนกับรถแห่งกับข้าที่นายพรานป่าได้ลิ้มในเมืองเชนั้นก็บอกว่าไม่ต้องนายพรานป่าเราออมาเนี่ยเขาบอกว่าท่านไปอินเดียอาหารอินเดียนเป็นยังไงจบเลยนะเล่าไม่ถูกก็มันมีเครื่องเทศว่ะเครื่องเทศเหมือนบ้านเราไหมกลิ่นไม่เห็นเหมือนกันสักอันเนยนะไม่รู้จะไปเล่าเปรียบกับอะไรดีมันน่ะชันเองกันแล้วกัน อันนี้ก็ น, นี่ขนาดไม่ได้ใบไม่ได้อะไรเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ถึงกระเช้าป่ามา ก, ก น, นะขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จะเอามาเล่าว่ายัางไงเครื่องเทศมีอะไรบ้างนั้นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรลุธรรมอันต่างโดยฤทธิสมาบัติปฏิสัมพิทาแต่เพราะมีคุณพิเศษจึงต่ํากว่าพระพุทธเจ้าแต่ก็เหนือพระสาวกทั้งหลายพระประเจกเนี่เหนือพระสารีบุตรมากมายแต่ว่าแต่เนื่องจากว่าอะนะ ท่านไม่ได้นัยยะนะท่านอย่างภาษาริบุตรที่ท่านสอนได้ก็เพราะตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะ พ, พระพุทธภาษาริบุตรเป็นผู้ประกาศอริยสัจตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดพู ด, พดนี่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย น, นะถ้าประเจกพระพุทธเจ้านั้น ให้คนอื่นบวชแล้วก็พิศษาพิสมาจาริกวัดสอนเกี่ยวกับการนุ่งการพ่มการยืนการเดินการกบการฉันอิริยาบทการไม่คลุกคลีเนี่ยท่านสอนได้เช่นอาจจะสอนคาสอนหัวข้อว่าเออทำการขัดเกล้าจิตกันแล้วกันนะขัดเกล้าจิตนะสละบาปอากุศลออกไปอย่าท้อถอยทําไปเถอะปฏิบัติไปเถอะอย่าเลิกทําไปท่านก็สอนแค่นี้ที่เหลือไปทำเอาเองทาอะไรไม่บอกนะ อย่าถอยก็แล้วการปฏิบัติต่อไปอยูงนี้แหละแล้วก็ถ้าจะมีวันอุโบสถเช่นวัน15บห้าคัมบ์ส่คัมก็จะพูดว่าอัชเมอุโบสถโหวันนี้เป็นวันอุโบสถพอละวันนี้วันอุโบสถทุกคนนั่งเข้าสมาบัติกันแล้วเข้าสมาบัติกันออกก่นนี่มอไปหาตามอัธยาศัยเหมือนนกกระินในปีกไงไหนไหนแล้วก็มีนี่แหละหมอชอบพูดอย่างนี้แหละได้เป็นเองเลย นิ่งเมื่อไรก็เห็นน่าหลับแล้วรู้แล้วสาเหตุมาจากไหน